65ความสุขของสติความสุขของสมาธิและความสุขของปัญญาวงเล็บเปิดสิกรกฎาคม2551ในวงเล็บหวงเล็บปิดการปฏิบัติไม่มีอะไรมากมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเป็นสัมมาสมาธิมีอยู่เท่านี้เองพอเรามีสติรู้แล้วก็มีสัมมาสมาธิมันจะเกิดปัญญาฉะนั้นการรู้เลยมีสองขั้นในเครื่องหมายคําพูดรู้ด้วยสติ อันหนึ่งในเครื่องหมายคำพูดรู้ด้วยปัญญาอันหนึ่งในเครื่องหมายคำพูดรู้ด้วยสตินี่สติเป็นตัวระลึกระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายระลึกได้ถึงความมีอยู่ของใจฉะนั้นถ้าเมื่อไรเรารู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจได้ก็เรียกว่ามีสติทีนี้ถ้ารู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจแต่รู้สึกแบบเพ่งอยู่จิตลงไปแนบที่กายที่ใจจะไม่มีปัญญา เงื่อนไขที่ทำให้เกิดปัญญาก็คือสัมมาสมาธิจิตต้องตั้งมัน่นฉะนั้นถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่ก็จะในเครื่องหมายคำพูดรู้ด้วยปัญญาพอจิตเราตั้งมัน่นเราจะเห็นทันทีเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่จิตอยู่ห่างๆกายกับจิตมีช่องว่างมาขั้นมีระยะห่างมันมีความรู้สึกเหมือนร่างกายมันอยู่ห่างออกไปเหมือนเราดูคนอื่นเวทนาก็รู้สึกอยู่ห่างๆ สังขารที่เป็นกุศลและอกุศลทั้งหลายก็ดูอยู่ห่างๆอย่างความโกรธเกิดขึ้นเราเห็นเลยความโกรธไม่ใช่จิตหรอกจิตอยู่ตั้งหากความโกรธอยู่ตั้งหากแยกกันออกมาเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆนะช่วงไหนขาดสติกิเลตก็ขึ้นมาย้อมจิตได้ช่วงไหนพอมีสติมีจิตตั้งมั่นขึ้นมากิเลตก็อยู่ห่างๆแต่กิเลยังมีอยู่แล้วก็วันดีคืนดีหรือวันร้ายคืนร้ายมันก็ขึ้นมาย้อมจิตได้อีก ต้องฝึกไปเรื่อยๆจนเกิดอริยมรรคถึงจะตัดกิเลสขาดขาดแล้วขาดเลยขาดแล้วไม่กลับมาอีกถ้ายังไม่เกิดอริยมรรคมันละกิเลสไปด้วยสติด้วยปัญญาละด้วยสติคือละด้วยสมถะเวลาความโกรธเกิดขึ้นเราก็เพ่งมันออกไปมีสติจ่อลงไปที่ความรู้สึกโกรธบ้างที่จิตที่รู้ว่าโกรธบ้าง หรือเจ่ะเอาไว้ที่ลมหายใจที่ท้องที่เท้าหรือบริกรรมว่าโกรธนอโกรธน้อพุโทโธพุโทโธอะไรเนี่ยให้จิตมันไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวสติจ่ออยู่ในอารมณ์อันเดียวกิเลสก็ดับเหมือนกันแต่ดับด้วยสมถะอีกอย่างหนึ่งดับด้วยวิปัสสนาจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่มีสัมมาสมาธิพอเห็นกิเลสเกิดวับ กิเลสดับเองดับทันทีเลยนะเพราะความโกรธเกิดขึ้นพอสติระลึกรู้ความโกรธดับปั๊บเลยไม่ดับแบบอ้อยอิงนะดับทันทีไอ้ที่ดับแบบอ้อยอิงนั้นนะ่ะสติมันอาจจะรู้จริงแต่ใจไม่ตั้งมัน่นไม่มีสัมมาส ม, มาธิพออย่างบางคนขับรถอยู่โดนเขาปาดหน้านะเอเห็นน่าโกรธแต่ไม่หายโกรธสักทีมันคอยคิดซ้ำคิดซ้ำคือทําเหตุใหม่ก็โกรธอีกหรือบางทีเราไปโกรธความโกรธตัวแรก ไอ้คนนี้ขับรถปาดหน้าเราเราโกรธขึ้นมาพอเรามีสติไปรู้ว่าโกรธแล้วเราไม่พอใจในความโกรธใจเราไม่ตั้งมั่นไม่เป็นกลางใจเราเกลียดความโกรธตัวแรกอยากให้หายเพราะเราเป็นคนดีเราจะต้องไม่โกรธเขาเขาด่าแม่เราเราก็ต้องไม่โกรธเขาเขาทําอะไรเราก็ต้องไม่โกรธเนี่ยไปข่มเอาไว้ไปกดเอาไว้สติไม่เกิดหรอกอย่างนี้กิเลสไม่หายกิเลสไม่กลัว แต่ถ้ามีสติแล้วเราเห็นเลยว่าความโกรธเกิดขึ้นเราเห็นว่าเราไม่พอใจในความโกรธความไม่พอใจในความโกรธเป็นความโกรธตัวที่สองที่แทรกเข้ามาถ้าเรารู้ทันใจเราไม่พอใจแล้วเราเกลียดความโกรธนี่เห็นนะใจเป็นกลางวับเลยความโกรธตัวที่หนึ่งก็จะหายไปด้วยที่นี้ส่วนมากพอโกรธตัวที่1แล้วไปโกรธตัวที่สองคือโกรธตัวเองที่แรกโกรธคนอื่นต่อมาโกรธตัวเองโกรธจิตตัวเอง ทำไมไม่ดีไม่ชอบฉะนั้นจิตไม่ได้มีสติจริงจิตเป็นอกุศลจิตมีความโกรธแทรกอยู่อย่างนั้นกิเลสไม่ดับหรอกแต่ถ้าจิตตั้งมัน่นสักว่ารู้สักว่าเห็นจะเห็นเลยกิเลสมันเดินผ่านหน้าบ้านเหมือนคนเดินผ่านไปเท่านั้นเองไม่เกี่ยวกับเรามันผ่านมาแวบแล้วหายไปเลยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่เกี่ยวอะไรกับเราแต่ถ้าตัดด้วยมักรก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเอาไว้ถึงก่อนแล้วค่อยว่ากันนะ ตอนนี้ยังไม่ถึงเอาต้นทางไปก่อนอย่ารีบเอาปลายทางอย่าไปใฝ่ฝันนะมักผลนิพพานอย่าไปฝันมันเราปฏิบัติเนี่ยเราคิดว่าเราจะมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเราคิดอยู่เท่านี้แหละถือว่าเป็นพุทธบูชาบูชาคุณพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเจริญสติปัฏฐานเราเป็นลูกที่ดีเราเจริญสติปัฏฐานจเจริญแล้วเป็นลูกที่ดีแล้วท่านจะให้มรดกหรือเปล่าเรื่องของท่านแล้ว ฉะนั้นมีสติรู้กายรู้ใจไปนะวันหนึ่งจะพ้นทุกพ้นจริงจริงพ้นเป็นลำดับลำดับไปทันทีที่มีสติก็เริ่มมีความสุขแล้วทันทีที่เริ่มมีสตินะใจตั้งมั่นทันทีที่มีสติก็เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจมีสติก็มีความสุขนะใจตั้งมั่นขึ้นมาก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งเป็นสุขของสมาธิรู้ความจริงของกายของใจมันจะเกิดความสุขอีกชนิดหนึ่งเป็นความสุขเพราะมีปัญญา เวลาเราภาวนานะบางช่วงภาวนามาตั้งนานแล้วรู้สึกไม่มีผลงานเนี่ยความจริงไม่มีปัญญาพอบางช่วงจิตมันถ่ายทอดอะไรให้เราได้รู้อะไรใหม่ๆที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนึกไม่ถึงนะว่าที่จริงพระพุทธเจ้าสอนทั้งนั้นแหละแต่เราฟังแล้วเราไม่เข้าใจวันหนึ่งปัญญามันเข้าใจขึ้นมาแหมนมันซาบซึ้งถึงอกถึงใจนะมันมีความสุขอยู่หลายวันแนะไม่ใช่สุขของสติไม่ใช่สุขของสมาธิ มันอิ่มอกอิ่มใจเป็นความสุขของปัญญายกตัวอย่างพระพุทธเจ้าสอนบอกขันห้าเป็นทุกข์เราไม่เคยเห็นนะเราเคยได้ยินแต่เราไม่เคยเข้าใจหรอกเรายังไม่รู้เลยว่าเราไม่เข้าใจลืมนึกไปว่าทุกวันนี้เราเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรายังมีหน้ามาบอกว่าเราเข้าใจสิ่งที่ท่านสอนท่านสอนบอกขันห้าเป็นทุกข์ ท่านไม่ได้บอกว่าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างวันหนึ่งเราภาวนาไปปิ๊งโอ้ขันห้าเป็นทุกข์จริงๆนะมีความสุขเลยมีความสุขที่เข้าใจ